50 languages. b a l i s การเที่ยวเมืองตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมคะแค่เมลล่าปีร์ก็คุลาฮุต้นิทัศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมคะแค่หน้ามีช์มังกลก็คุลีฮุตีเนสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมคะแค่ชุดีอาเกลบุตร को खुला था พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะ क ् य ाาเจ้าอิบขารจุเม่ร้าวคหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะแค่อา र ์ตแกลเลอรี่จุเม่คู่คลุสามารถถ่ายรูปได้ไหมคะ क्या ่านทศิวิริ์เขียนนีคีจ้าจัตเต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมคะ क्या अंदर जाने के लिए पैसे देने होंगे? काबू अंदर जाने का टिकट कितने का है? मिसूल रोड समल बू कना में खा? क्या ग्रुप के लिए कोई रियायत है? मिसूल रोड समल बच्चों के लिए कोई रियायत है? มีสวนรถสาหรับนักศึกษาไหมคะแค่ตั๋ลบ के लिए को ุยริยาต์เนั่นตึกอะไรคะย ह ่ตตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วคะยี इ इ ่มาร์ตคใครเป็นคนสร้างตึกนี้คะอิสอิมาร์ตคู่กิสाนบ ดิฉันสนใจในสถาปัตยกรรมแมฟันิทามีรัตเม่ดิลชั่สพีรักต้า่ดิฉันสนใจในศิลปกรรม म ैม้อาร์ตเม่ดิลชั่สพีรักต้แฟันเม่ดิลชั่สพีรักต้าฮุ่ดิฉันสนใจในจิตกรรมแม้พีนติง่งเม่ดิลชัส่สพักต้า